กรรมฐานอันนี้ดีที่สุดสำหรับทุกคนเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนี่การทำกรรมฐานเนี่ยมันมีสมถะกรมรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานสมถะเนี่ยพวกเราเคยชินเคยชินส่วนใหญ่ที่ทำมันก็เป็นสมถะสมถะเนี่ยทำไปเพื่อให้จิตใจสงบให้จิตใจมีความสุขหน้าที่หลักของเราก็คือถ้าจิตใจมันไม่ดีคอยแก้ให้มันดีมันไม่สงบทาให้มันสงบ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 นี่สมถะกรรมฐานมีมาก่อนพระพุทธเจ้านไม่ใช่เรื่องยากอะไรพวกเรานักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยที่บอกว่าทำวิปัสสนาเนี่ยเกือบร้อยละร้อยก็คือนักทำสมถะไม่ขึ้นถึงวิปัสสนาตัวจริงกรนะทั่งมารู้กายเวทนาจิตธรรมก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นวิปัสสนาเสมอไปนี่ทีแรกตรงพ่อเขียนหนังสือปฏิบสองธรรมนะเขียนไว้ว่า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 สติเป็นเครื่องไปรู้นะว่าสติรู้มากเข้าก็จะเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจนะและสติปัฏฐานเนี่ยที่ว่าธรรมวิปัสนาตามสติปัฏฐานสติปัฏฐานแบ่งเป็นสองขั้นตอนขั้นตอนแรกนะทำไปเพื่อให้เกิดสติขั้นตอนที่สองทำไปเพื่อให้เกิดปัญญามีสองขั้นขั้นแรกต้องทำสติให้เกิดให้ได้ก่อนนะักปฏิบัติเกือบทั้งหมดไม่มีสตินะ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 ต่อไปนะกรรมฐานส่วนใหญ่ที่พวกเราชาวไทยทำเนี่ยสามารถต่อไปเพื่อให้เกิดสติเกิดสัญญาได้เกือบทั้งหมดนะเกือบทั้งหมดไม่ทั้งหมดหรอกบางกรรมฐานทําไปแล้วไม่ได้นะกรรมฐานอะไรที่เนื่องด้วยกายเนื่องด้วยใจตัวเองนะจะต่อขึ้นมีปัจนาง่ายอย่างถ้าเราไปนั่งเพ่งกระสินเพ่งเทียนนะนี่มันจะมาต่อเข้ากายเข้าใจยากนะมันจะเกิดนิมิตเกิดปฏิภาเกิดอะไรขึ้นมานะ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 แล้วเดี๋ยวจะสอนเรื่หายใจให้เกิดปัญญาก็มีนะสอนควบไปเลยก็ได้หายใจให้เป็นสมถาก็คือน้อมจิตให้อยู่กับลมหายใจได้แต่ความสงบนะถ้าหายใจให้เกิดสติสติต้องจําสภาวะได้เพราะงั้นเราต้องหายใจไปรู้สภาวะไปเช่นเราหายใจไปเนี้ยใจเราลอยไปนี้ใจหลงไปคิดแล้วรู้ทันว่าใจเราหลงไปคิดหายใจแล้วเราไปเพ่งลมหายใจรู้ว่าจิตไปเพ่งลมหายใจละหายใจแล้วเกิดปีสิรู้ว่ามีปีติ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 งั้นหักไปนะคนไหนนะหายใจไปนะถ้าใจเข้าไปแนบอยู่กับลมเป็นสมถะนะถ้าหายใจไปแล้วก็คอยรู้สภาวะนะใจหลงไปใจเพ่งใจสุขใจทุกข์ใจเป็นกุศลอกุศลอันนี้จะฝึกไปเรื่อยแต่อไปจิตจําสภาวะได้แล้วสติจะเกิดเองนะพอสติเกิดเองจิตจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะปัญญาจะเกิดคือเห็นความจริงเลยไก่นี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะจะเห็นเป็นลำดับลําดับไป คนไหนเคยดูท้องพองยุบดูต่อไปไม่ต้องเลิกนะดูท้องพองยุบไปแต่ถ้าดูแล้วใจเราเข้าไปเกาะอยู่ที่ท้องหรือเราไปบริกรรมนะพองหนอยุบหนอแล้วบริกรรมเพื่อไม่ให้มันคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นอันนี้เป็นสมถะงั้นส่วนใหญ่ที่ทําเป็นสมถะนะไม่ว่าสํานักไหนเหมือนๆกันหมดละติดสมถะแบบเดียวกันทั้งนั้นแหลนะคือทําแล้วใจไปนิ่งอยู่กลางลมันเดียวนะนี่ถ้าจะทําให้เกิดสติจะทํำยังไงเราก็ดูท้องของยุบแ ป, ปนะน ถ้าใจลอยหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดละวใจเข้าไปเพ่งทองรู้ว่าเพ่งทองแะ้วใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้ทันจิตรู้ทันใจของเราเ น, ะนี่ต่อไปเราก็จะรู้ทันจิตใจตัวเองได้ชำนิชำนาญสติจะเกิดเองนะเพราะสะติเกิดจากการที่จิตจําสภาวะไดนะ้พวกเราอาจจะสงสัยตรงจุดนี้นะเดี๋ยววันหลังค่อยเรียนต่อว่าทําไมพอจำสภาวะได้แล้วสติเกิดนะบอกเลยก็ได้เดี๋ยวบางคนกลุ้มใจนะ เริ่มกลุมใจแล้วมันจะต้องมีภาคสองสติเนี่ยเป็นความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ากำหนดสติคือความระลึกได้มันระลึกได้เพราะมันรู้จักนะเช่นมันรู้จักว่าเผลอเป็นยังไงพอเผลอไปมันก็ระลึกได้ว่าเผลอเพราะฉะนั้นสติคือความระลึกได้เพราะฉะนั้นะสติไม่ได้แปลว่ากำหนด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 นะเมื้องปลายถึงจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราดูยากนะต้องฝึกกันสักช่วงหนึ่งบางคนฝึกตั้งเจ็ดวันเนะี่ยถึงจะเห็นบางคนเจดเดือนบางคนเจ็ดปีถ้าใครสิบปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะต้องทบทวนแล้วต้องทำผิดแน่เลยนะยกเว้นพวกพระโพธิสัตว์นะสิบชาติยังไม่บรรลุเลยนะงั้นการฝึกให้เกิดสตินะดูท้องของยกจิตหนีไปก็รู้จิตเพ่งก็รู้นะ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 งั้นเราวันๆหนึงคิดเยอะมันเหมาะกับการดูจิตงั้นฝึกไปนะฝึกไปทํากรรมฐานอะไรก็ได้ยกเท้าย่างเท้าก็ได้นะยกเท้ายั่งเท้าแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์กเป็นกุศลอกุศลก็รู้ <S <S น <ะ S 1> คนไหนเคยหันพุทโธก็ได้นะพุทโธไม่เกี่ยวกับกายกับใจหรอกพุทโธเป็นบัญญัติเป็นอารมณ์บัญญัติเป็นสมถะแท้าๆเลยพุทโธพุทโธพุทโธไป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 นี้พอมันมีสติแล้วคันนี้สติจะระลึกขึ้นมาเองละยกตัวอย่างสมมติรเราใจลอยอยู่เรากําลังใจลอยเผลอๆไปนี่จิตเป็นอกุศลสติเกิดระลึกได้ว่าเผลอไปแล้ว ท, ทันทีที่สติระลึกได้นะจิตจะเกิดความตื่นตัวตั้งมั่นขึ้นมาในฉับพลันนะใครเรียนถึงตรงนี้มีมีเยอะนะะครึ่งห้องได้เรียนได้ตรงนี้ลนะพอเผลอไปพอรู้ตัวว่าเผลอปุ๊บก็ตื่นขึ้นมาเลยนะจิตมันตื่นขึ้นมานะนี้พอจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ย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 เห็นรูปยิ้ที่ยืนเดินนั่งนอนเนี้ยเป็นแค่รูปไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นคนไปรู้นา ม, มาทําเป็นคนไปรู้นี่มีแยกรูปแยกนามนะนีส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติถ้าทำถูกต้องก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ส่วนมากก็ชอบไปเพ่งรูปนั่นเองไปรู้อิรยาบทสีก็เพ่งอิริยาบทไปเลยเพ่งร่างกายทั้งร่างกายท่อนๆชื่อๆ น, น, นี่แหล ะ, ะ, <น>ะหรือนั่งรอไปเมื่อไหร่มันจะเมื่อยอะไรเงี้ยนะ เรเมื่อยแล้วก็นั่งคิดต่อแนละ้วอยากเปลี่ยนอิริยาบททําไมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะจำเป็นคิดหาเหตุหาผลนะนี่มันตกจากมิปั ส, สนาละตรงเนี้ยมิปั ส, สนายังไม่เจอความคิดนะเกจอความคิดไม่ขึ้นมิปั ส, สนาตัวจริงงั้นรู้อิริยาบทสี่ก็ได้นะเราเห็นเลยตัวที่นั่งตัวที่ยืนตัวที่เดินตัวที่นอนเนี้ยนะถ้าเป็นขั้นจเจริญสัญญาจะเห็นเลยอตัวนี้ไม่ใช่ตัวเรารนะ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 ถ้าไม่เผลอไปคิดก็ไปเพ่งเอาไว้บังคับเอาไว้ควบคุมไว้กำหนดไว้สระคองไว้รักษาไว้นะเหมือนกันงั้นหน้าที่ของเราต่อไปนี้เนยฝากการบ้านแนละ้วแม้วันนี้สอนเร็วนะจบหลักสูตรแล้วนะหน้าที่ของพวกเราต่อไปนี้คือหัดรู้สภาวะะมาเรียนที่หลวงพ่อไม่ต้องเรียนเรื่องอื่นหรอกเรียนเรื่องสภาวะหัดรู้สภาวะไปหลวงพ่อพูดเป็นเพื่อนพวกเราเท่านั้น สัง เ, เกตไหมตอนหลวงพ่อพูดให้ตลกใจเราขำขึ้นมานะใจที่เฉยๆเปลี่ยนเป็นขําำ ข, ขึ้นมาเรารู้ทันสภาวะก็คือเห็นใจเป็นขำขึ้นมานะพอหลวงพ่อพูดจริงจังใจตอนนี้เริ่มนิ่งแล้วรู้สึกไหมใจตอนนี้เริ่มนิ่งไปทั้งห้องแล้วนั่นหนีไปคิดเลยไม่ใช่นิ่งแล้วนะใจเราเป็นยังไงนะนั่งดูไปอย่างเงี้ยนั่งหัดรู้สภาวะไปเรื่อยจะเห็นเลยจิตเดี๋ยวก็เผลอไปคิดเดี๋ยวก็ประคองไว้นะ เดี๋ยวก็สงสัยเดี๋ยวก็ซึมซึมนะสารพัดรูปแบบหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งสติจะเกิดเองนะมีอาจารย์อภิธรรมบางท่านสอนดีนะอย่างอาจารย์สุจินบริหารวัานาัเขตสอนดีบอกอย่ารีบปฏิบัตินะอย่ารี้ปฏิบัตินะเรียนให้รู้เรื่องฟังให้รู้เรื่องก่อนถามารู้เรื่องอะไรต้องรู้เรื่องสภาวะนะั่นเองสภาวะธรรมเนี่ยถ้าเรียนอย่างอภิธรรมมีเจ็ดสิบสองตัวเยอะไป เราเรียนจากของจริงในใจเรานี่แหลนะะหัดรู้ไปวันละตัวสองตัวแล้วต่อไปจะพบว่าเยอะกว่าเจ็ดสิบสองอีกนะสภาวะวัตถมเขาเรียนสภาวะเจ็ดสิบสองไงโยเกิดสภาวะอะไรสักีนี้โอ้หรือตอบถูกแล้วไม่เนี่ยหัดรู้สภาวะไปนะต่อไปพอกลับบ้านพอใจเผลอไปแป๊บสติเราลึกได้ว่าเผลอละ สติะระลึกได้ปั๊บจิตจะตั้งมั่นรู้ตัวขึ้นมาอยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่เผลอไปสติเนี่ยมีความไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะแต่ถ้าเมื่ อ, อไหร่ขาดสติเมื่อไหร่ขาดสติจิตมันจะเลื่อนลอยไปเนี่ยเลื่อนลอยไปอย่างเนี้ยคุณผู้หญิงแถวที่สี่เนี่ยสึกไหมที่ถัดจากคุณเสื้อเหลืองนะ่ะเยจิตมันเลื่อนลอยเลื่อนลอยโน่นขาดไปโน่นก็สีไปคนลนะเห็นไหย ม, มันเลื่อนลอยนะนี่มันขาดสติมันเลื่อนลอย เลื่นลอยไปไหนมากที่สุดเลื่นลอยไปคิดมากที่สุดนะเลื่อนลอยทางใจเลื่อนลอยไปคิดมีมากที่สุดเพระฉะัฉ้นถ้าเมื่อไรเราใจเราหนีไปคิดใจเราเผลอไปเรารู้ว่าใจเราเผลอไปคิดนะเราตื่นขึ้นมานะรู้ว่าเผลอไปคิดเนี่ยปฏิบัติได้เยอะที่สุดเลยดีกว่ารู้ว่าโกรธรู้ว่าโลภนะโกรธกับโลภมันยังน้อยกว่าเผลอต้องเผลอก่อนมันถึงจะโกรธได้โลภได้เพราะนั้นเนี่ยหมอติเผลอแล้วเห็นไหมเอผลอไปแล้ว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 นะรู้กายรู้ใจอย่างแจ่มแจ้งรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราแล้วเป็นใจลักรู้แจ่มแจ้งนสมูทัยคือปัญหาจะถูกละโดยอัตโนมัตินะงานรู้ทุกแจ่มแจ้งสมูทัยจะถูกถูกละโดยอัตโนมัติคือเราจะหมดความดิ้นรนที่จะให้กายนี้ใจนี้เป็นสุขดิ้นรนที่ให้กายนี้ใจใจนี้นพ้นทุกเมื่อเราหมดปัญหาหมดการดิ้นรนหมดตัวสมูทัยนี้โรดจะแจ้งขึ้นมาเอง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 งั้นเบื้องต้นให้เรารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปจนใจหมดความยึดถือกายยึดถือใจหมดตัณหานะจะเห็นนิพพานเห็นสุญญาตาเห็นความว่างหลายคนกลับหัวกลับหางนะปฏิบัติมุ่งไปดูสุญญาตาอันนี้ผิดอย่างสาหัสเลยนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ไปดูสุญญาตาเลยนะท่านสอนให้รู้กายนะกายานุปัสนารู้เวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาธรรมานุปัสนาไม่มีสุญญาตานุปัสนานะ หลายคนชอบไปดูสุญนตาแล้วภาคภูมิใจหลวงพ่อต้องมานั่งแก้ปวดหัวมากเลยเหนื่อยเพราะว่าอะไรไปติดความว่างอยู่มันดีมันไม่ใช่ชั่วมันดีให้ทิ้งของดีเนะี่ยไม่ใช่ทิ้งง่ายแต่ถ้าเราไปปรุงความว่างขึ้นมาไปสร้างพบที่ว่างๆขึ้นมาแล้วเข้าไปอยู่ในพบนั้นเนี่ยจะให้ลาให้เลิกนะยากที่สุดเลยต้องน้อมใจเชื่อพระพุทธเจ้าจริงๆนะว่าท่านสอนให้รู้ทุกขนะ์ถึงจะยอมละสิ่งที่สงบสุข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 พอตื่นมาสักพักหนึ่งไปดูๆแล้วก็หลุดปุ๊บเข้าไปละวท่านเลยเอ๊ะ น, นี้มันนิพพานแล้วมันยังมีเข้ามีออกอยู่บอกท่านว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะท่านก็าลังเลใจท่านบอกมันมีแต่ความสุขนะมันไม่มีกิเลสเลยมีแต่ความสุขล้วนๆมันน่าจะใช่เลยต้องเล่าเรื่องอาจารย์บุญจันทร์ให้ฟังหลวงพ่อเคยโดนถ้าอาจารย์บุญจันทร์จูบมาแนละ้วพ <c oughs> นิพพานอะไรมีเข้ามีออกนะนิพานอะไรมีเข้ามีออกมันของปลอม อะไรที่ยังมีคู่คู่อยู่เนี่ยไม่ใช่ของจริงนะอะยังมีนิพพานกับไม่ใช่นิพพานอยู่เนี้ยมีเข้ามีออกได้ไม่ใช่ของจริงหรอกอเอาใครสงสัยอะไรเชิญถามอ๋ อ, อไม่ใช่ไม่ใช่พบเนี่ยพบเนี่ ย, ยมีคําเต็มเต็มชื่อว่ากรรมามาพบกรรมมาพบคือการทํางานทางใจตัวสภาวธรรมก็คือตัวรูปกนาม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 ตัณหามันตักให้ปลุกตัณหาเลยเป็นปัจจัยให้เกิดพบเห็นไหมตัณหาอุปาทานพบอุปาทานก็คือตัณหาที่รุนแรงนั่นเองอุปาทานคือตัณหาที่รุนแรงคือโลภะที่รุนแรงทําให้เกิดการทํางานขึ้นมาเมอเกิดการทํางานขึ้นมานะก็เกิดเราตัวเราผู้ทํางานขึ้นมานะมีเราขึ้นมาแทรกขึ้นมาในความรู้สึกตัวเราเกิดขึ้นนะมีน้ําหนักขึ้นมารู้สึกไหมมีน้ําหนักขึ้นในใจ ดูออกอยังโลกข้างนอกว่างเปล่าในใจเรามีน้ำหนักดูได้ยังเอ อ, งนนเ อ, อนะดีที่เห็นนะดีละวดีหลวงพ่อนึกว่าจะบวชนานๆแต่เพอแพ๊บเดียวสึกลแล้วเราอ๋ออย่างนี้เรียกสึกแทนคุณสมัยโบราณเ็าบวชแทนคุณนะสมัยโบราณชอบให้ลูกบวชเพราะอะไรที่บ้านลูกเยอะ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 ปรุงดีปรุงชั่วไปเรื่อยๆสงสัยมากไหมคุณผู้ชายที่เสื้อลายๆเป็นทางๆเนี้ยในนอ๋บางครั้งที่มองมองมองิไปแล้วแล้วมันมึนจิตแน่ขึ้นมาันจงใจมองแล้วมันก็หายไปมันไปดูรกล้าไปเออแล้วก็มาใหม่เลยพิสุกเ็แลน่มาทีนาก็หายเออถูกหรือไม่ถูกแล้วถูกแล้วนะ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 นี่เราฝึกไปเรื่อยใจค่อยเบาขึ้นเบาขึ้นนะฝึกไปของคุณรู้สึกไหมไอ้ที่ใจหนักหนักไม่เที่ยงหรอกนะดูไปเรื่อยทำได้ดีแล้วนะดีจนะบ้านอยู่ไหนละ่ะบ้านอยูุ่าเออดีแล้วตั้งใจเรียนใจนะอยู่ไม่ไกลไม่ลำบากมากุกคนอยู่อเมริกาอยู่ในลำบากสงสารนะอยู่ไกลมากเมื่อวานก็มีพวกไหนพวกนักพรสีธรมรมราษฎร์มานะมาก็เดิอเดอมาแล้วเหนื่อยอนะ่ะ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 เออตอไปมันเห็นนะเ อ, อ้ยโลภทีไรก็เดือดร้อนทุกทีเนตอไปมันเลิกไม่เอาแล้วไม่โลภแล้วนี่มันเห็นของจริงเมืแเราให้เด็กเรียนนะเรียนแบบสมยัยใหม่นะไม่ใช่เรียนแบบครูมาพูดให้ฟังข้างเดียวล่ะเขาเรียกอะไรนะเรียนแบบอะไรเดี๋ยวนี้แบบ่สับมันมากอะไรนะอย่างสอนให้เด็กนะจะรู้จักชาวนาก็พาไปทํานาอะไรเงี้ยนะเออสอนให้ลงมือปฏิบัติหาประสบการณ์จริงๆเด็กได้เรียนรู้ของจริง จิตเราเหมือนเด็กนะให้มันเรียนรู้ของจริงไปอย่าเทศมากอก่าสอนมากนะไปสอนมันมันยิ่งดื้อพออ้าปากแล้วมันรู้แล้วเดี๋ยวจะต่ออะไร mm. เคยไหมมีบ้านไหนพวกเราตอนเด็กๆที่พ่อแม่พูดเรื่อยๆพอพอพ่อแม่พูดประโยคนี้เรารู้แล้วประโยคต่อไปคืออะไรแล้วถามว่าฟังไหมไม่ฟังหรอกขี้เกียจฟังแล้วทำเป็นฟังเป็นนั่นแหะแต่ว่าใจหนีไปที่อื่นแล้วะทําถูกแล้วนะทําได้ดีแล้ว เอ่คือาติท่านที่ท่านบอกว่าพอจิตเรารู้ว่าเรามีกิเลสเห็นสาวเดิมเนี่ยเรารู้ว่าโอเคแล้วเกิดกิเลสแล้วเราก็เอ่อรางับตรันกโอเคเราไปแล้วแล้วถ้าเกิดเราเิดอีกัอีกมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะทให้จิตสงบเราไม่ได้เรียนเพื่อให้จิตสงบแต่เราเรียนเพื่อให้เห็นว่าจิตเนี่ยเป็นของที่เราควบคุมมันไม่ได้จริงเป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้นะวัตถุประสงค์โราณ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 ดีถามดีนะถามอย่างนี้คนอื่นได้ฟังด้วยดีอมอติว่างไรช่วงแรกช่วงหลังหนึ่งเส็จบางช่วงนึ่่วงช่วช่วงก็ยังไม่เรู้วาถึงังาประยหนึ่งเนีว่าเยะขึ้นมากแล้วก็ไม่มีการที่แก้หรือควาเยมากมาก อันนั้นเป็นเป็นอุบายเพื่อเอาตัวรอดเวลาที่กิเลสรุนแรงเท่านั้นไม่ใช่หลักนะอุบายไม่ใช่หลักใช้ได้ไหมอุบายใช้ได้เมื่อยาำจนตัวนะหลักของเราก็คือรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นถ้าเราเจ้าเล่ยเพทุบายเจ้าอุบายมากต่อไปเราจะติดอุบายตัวเอง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 ก็หมดเรื่องนะแล้วไหนคนหนึ่งบอกเทวดาคนหนึ่งบอกชี้ฝุ่นเดี๋ยวก็ตีกันตายฮึ คือสมาธิที่จะหลุดพ้นจริงๆเนี่ยนะเป็นสมาธิในอริยมรรคเป็นตัวสำมาสมาธิแท้ๆสมาธิเพื่อสติสัมปชัญญะอย่างที่หลวงพ่อสอนตะกีเนี้ยนะเราจับอารมณ์กรรมฐานมาอ่านหนึ่งก่อนมาเป็นตัวตั้งจนกระทั่งเกิดสติขึ้นมานส่วนตัวสัมปชัญญะนี่เป็นปัญญาขั้นพื้นฐานนะสัมปชัญญะเป็นปัญญาเบื้องต้นเลยที่จะคอยประครับประคองเราเหมือนผู้กำกับเส้น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 มักมีองแปดทำยังไงมีตั้งแปดตัวทำสมาสติให้เกิดที่เจ็ดตัวที่เหลือจะเกิดเองงั้นต้นทางจริงๆนะคือมีสติน่เองรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปอ่ะว่ามาอ๋อรู้รู้ตรงความเป็นจริงนะอย่างแกเราสมว่าเราจะทำสมาธะทำสมาธ เรารู้ว่าเราจะทำสมถะนี่ข้อที่หนึ่งนะรู้ว่าเราจะทำอะไรทำสมถะเพื่ออะไรเพื่อให้จิตใจได้รับความสงบสุขทำอย่างไรนี่จิตใจมันไม่สงบเพราะมันวิ่งไปวิ่งมาเราก็น้อมให้มันอยู่ในอารมณ์มันเดียวมีเป็นตัวกากับ น, นั่นเองให้เราเดินได้ถูกทางแล้วระหว่างที่เรารู้สมมติเรารู้ลมหายใจเข้าออกไปนี่เราไม่หลงเราไม่เผลอนี่เป็นสมัมปชัญญะตัวที่สี่ไม่ลืมตัวเองไปไม่ลืมลมหายใจไป นี่ถ้าเราทำนิปัสสนาเราจะทำนิปัสสนาเพื่ออะไรนะเพื่อให้รู้ rating, ความจริงของกายของใจทำอย่างไรรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไปมีมสตินะฝึกเบื้องต้นให้สติเกิดขึ้นมาแล้วมันจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้รนะหว่างที่ฝึกรู้กายรู้ใจอยู่ก็ไม่เผลอไม่ลืมตัวเองลืมเนื้อลืมตัวไปนะนี่สัมมชัญญะมีสี่อันจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรระหว่างทำไม่หลงไม่เผลอไม่ลืมเนื้อลืมตัว ตัวสุดท้ายนะ่าสาคัญมากเลยสําคัญมากส่วนใหญ่ทําแล้วมักจะลืมตัวเองสัมปชัญญะตัวสุดท้ายชื่ออาสัมโมหะสัมปชัญญะเป็นปัญญาที่ไม่ประกอบด้วยโมหะตัวนี้ยไม่หลงส่วนใหญ่เราทําสมาธิเราก็หลงนะเช่นเราดูท้องพองยุบเราก็ลืมตัวเองเนี่ยเราหลงละเรารู้ลมหายใจเข้าออกเราก็ลืมตัวเองเพ่งอยู่ที่ลมอย่างเดียว เพ่งอยู่ที่ท้องอย่างเดียวลืมตัวเองลืมกายลืมใจกายกับใจก็ทื่อๆผิดธรรมชาติไปแล้วนะ่เรียกขาดอสัมโมหะสัมพชัญญาสมบูรณ์เป็นไงสมบูรณ์อ hmm. เป็นไงมากงสติเกิดบ่อยไหม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 รู้ทุกอย่างตามที่เขาเป็นเขาผ่านมาแล้วผ่านไปไม่เข้าไปแทรกแซงปล่อยวางนะรู้อยู่แต่ไม่เข้าไปแทรกแซงนะถ้าปล่อยทิ้งนี่ไม่ได้นะปล่อยทิ้งอยู่ไม่ปฏิบัติแยกได้ไหมสมมูลไม่เหมือนกันนะอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งการปฏิบัติต้องทำสม่าเสมอนะอินพุตเนี่ยต้องสม่าเสมอ น, นะไม่ก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภัพนะเพียนมากขึ้นมากขึ้น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 ไม่ได้เรื่องในระหว่างที่ปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าวันนี้ทาก็ดีวันนี้ไม่ทําเลยแย่ลงมาต้องทํานะวันก่อนไปเยี่ยมลงพ่อมินตรีเมื่อเดือนสิงหาท่านถามบ อ, อกว่าเนี่ยคุณสอนฆราวาสมาเยอะฆราวาสมีจุดอ่อนที่ไหนกราบเรียนท่านเลยฆราวาสมีจุดอ่อนที่ความต่อเนื่องฆราวาสทาทาหยุดหุดฆราวาสเนี่ยเห็นสิ่งอื่นสําคัญกว่าธรรมะ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 ร่างกายง่วงไปนอนซะ <Stones> จิตง่วงเหรอจิตง่วงก็ ต, ต้องตอบสู้นะมีวิธีต่อสู้แปดวิจะไปอ่านเอานะที si ่พระพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลาคิดถึงสัญญาเช่นคิดถึงร่างกายตัวเองนะคิดเป็นปฏิปุณเป็นนาสุภาไม่ให้จิตอยู่เฉยคิดถึงร่างกายนี่สกปรกเหน่าเหม็นอย่ังง้วอย่างนี้หาเรื่องคิดไปเรื่อยๆคิดอยู่ในกายของเราในใจของเราอย่างเงี้ย นี่เบื้องต้นเลยอันที่สองพิจารณานะข้ออัดข้อทาอะไรที่ครูบาอาจารย์เคยสอนเรามาพิจารณาว่าเราจะปฏิบัติยังไงที่ทําอยู่ถูกไม่ถูกอะไรเรื่องชิดอีกแหลนะอันที่สามสวดมนต์ไม่สวดเร็วๆนะมันง่วงก็สวดดังๆสวดยาวๆไม่ได้สวดสั้นๆก็ได้พุโทโธพุโทโธพุโทโธดังๆไวไว้ทําได้เยอะแยะนะเสร็จแล้วก็ไปล้างหน้าล้างตาก็ได้นะ ออกไปอยู่กลางแจ้งเงยหน้านะล้ำไถยเก๊กอะไรไปเลยก็ได้นะแก้งง่วงนะขั้นสุดท้ายมาตรการเด็ดขาดคือนอนนะขั้นที่แปดนี่พวกเราใหญ่เรียนทับขั้นนะพอสตาร์ทก็เล่นขั้นที่แปดหลวงพ่อเคยฝึกตัวเองสมัยที่เริ่มหัดใหม่ๆนะนอนกลางคืนเนี่ยมันจะนอนนานนะหลวงพ่อดื่มน้ำมากๆเลย กคือต้องลุกไปห้องน้ำแก่นิสัยตัวเองมันจะนอนยาวนะพอลุกไปห้องน้ำนันจะงัวงเงียงัวงเงียพอ ง, งัวงเงียไปห้องนั้นนะเสร็จ แ, แล้วต้องมานั่งต่อนะไม่เดินด้วยถ้าเดินเดี๋ยวมันหายง่ายเดียนั่งอยู่เงี้ยถ้ามันไม่หายงัวงเงียนะไม่นอนต่อจะนั่ ง, ง ย, ยันเช้าก็สู้กับมันอะไรเงีย้ยมันต้องฝึกตัวเองนะให้เข้มแข็งไว้แต่ไม่ใช่ว่าต้องมาเรียนแบบหลวงพ่อนะ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 ทั้งท้ายวัดเนี่ยจะมีศาลาทํากรรมฐ า, านะศาลานี้ไม่มีฝาผนังนะแต่ผนังเป็นมุ้งลวดวันหนึ่งเราก็ไปนั่งกันนะทํามืดเลยนั่งกันเพื่อนนั้นมันเดินทะลุศาลาออกไป <c oughs> เดินจงกลมนะั้นทะลุออกไปยืนอยู่กลางสนามนละ้ก็เพิ่งรู้สึกตัววเอ้ยทะลุฝาออกมาแล้วนไะอ้พวกเราก็นั่งอยู่อื้ยวันนี้ทำไมยุงชุมนะใครมันเปิดประตู <c oughs> ที่แท้ฝาทะลุไปแนละ้ว เดินอยู่ก็ยังหลับได้นะนี่เรียกว่ามีดตดทักท <c oughs> ะวันนี้พอสมควรนะพอสมควรเชิญไปรับซีดีข้างหลังนะซีดีหลงพ่อโฆศนานะในคุณโยเขาเป็นคนทำเนี่เสื้อเหลืองข้างหน้าอ่ะสมมือให้เขาหน่อยเลยสมมือนี่ทำเนียมฝลังทำเนียมชาวพูดบอกตาถุกเอ